เลอหลังวันนี้ได้พบว่ามีแม่พืชหลายคนนะเริ่มมีอาการอาลไซเมอร์บางคนก็เป็นตอนอายุเจ็ดสิบบางคนก็แปดสิบความจำเริ่มเลือน แล้วก็หลายคนก็มีปัญหาคล้ายกันคือว่ า, าหาของไม่เจ อ, อาหาของไม่เจอแล้วก็ไปคิดว่าคนงานหรือคนใช้นี่ออกไปเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันด่าว่ากมีการด่าว่ามีการทะเลาะี๋ยวบางทีก็ไล่เขา ออกไปแล้วคนที่เป็นลูกนี่ก็เครียดนะเจ้าตัวเองก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเนะความจําเสื่อมอาจจะรู้แต่ว่าอาจจะยอมรับไม่ได้ อื่นช่วนี้ก็ได้อ่านนะเรื่องราวของบ้านพักคนชราแล้วก็โรคคนชราที่เกิดขึ้นมาในหมู่คนอเมริกันนะรวมทั้งยุโรปด้ก็คือเนี่ยความจําเสื่อมความจําเสื่อมนี่นก็เป็นโรคเป็นอาการของโรคเป็นประเภทของโรคที่กว้างนะคุมไปถึงอัลไซเมอร์ด้วยคือความจําเสื่อมด้วยด้วยหลายสายเหตุ แลที่รู้จักกันดีแล้วที่กลวกันมากคืออัลไซเมอร์แล้วมีบางคนก็มีอาการความจำเสื่อมจำสถานที่ไม่ได้นึกคำพูดบางอย่างก็ไม่ออกหรือว่าจำ ข้อ็จจริงพื้นๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาก็พยายามเขาก็ั่วตัวเองความจำเสื่อมแล้วก็พยายามปฏิเสธขนาดผัวนิพาเมียซึ่ง ความจำเสื่อมมาให้หมอเพราะว่าอาการหนักแล้วแกก็ยังยังไม่ยอมรับเวลาหมอถามอันไหนที่ตอบไม่ได้กก็บายเบี่ยงบางทีถามคำถามที่เคยถามเมื่อสักสี่ห้านาที ก็เช็ตก็ยังจําได้ไหมเจ้าตัวก็ตอบไม่ได้แต่ก็พยายามเรียงไปหาข้ออ้างไปเขามีวิธีหนึ่งในในการที่จะให้วัดว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมีอาการหนักแค่ไหนหรือว่ามีอาการอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่าก็คือให้ วาดรูปนะนาฬิกาแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ลองแสดงตำแหน่งของเข็มนะในเวลาบ่ายสองสี่สิบห้านาทีบ่ายสองสี่ิห้านี่นะเข็มมันจะอยู่ตรงไหนให้วาดมาให้หน่อยก็วาดได้นะแต่พอวาดเข็มสั้นเนี่ยเข็มสั้นก็วาดถูกนะเลขสองแต่พอเข็มยาวเนี่ย เริ่มงงแล้วเขียนไม่รู้จะเขียนยังไงเข็มสั้นจะไวไวไหนธรรมดาเนี่ยคนธรรมดาก็เข็มสั้นต้องเลขเก้าแต่ว่าคนที่เป็นอาลไซเมอร์นี่จะยังลังเลว่าเข็มสั้นจะไวตรงไหนสุดท้ายก็ว่าตรงระหว่างเลขสี่กับเลข5 อันนี้ก็แสดงว่าเป็นเป็นปัจจุบ ท, ทัองไมงง่ายๆนี่เป็นอัลไซเมอร์ น, นะสี่สิบ้านะกับเลขสี่เลขห้านมันคละเลื่องกันเลยแต่ตัวยังไม่ยอมรับนะคือถ้าคนที่ยอมรับเนี่ยเขาก็บอกล้วเออฉันความจำไม่เสียเขียไม่ได้อันนี้เขาก็ไม่ยอมที่จะบอกว่าฉันเขียไม่ได้ก็พยายามที่จะถูดซีมันแสดงให้เห็นว่าเขา รู้สึกว่าการที่เป็นมีความจำเสื่อมนี่มันเป็นเรื่องที่แย่มากมีคนหนึ่งนะเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามเรื่องประวัติเรื่องความรู้พื้นฐานเช่นประธานาธิบดีปัจจุบันชื่ออะไรคนก่อนชื่ออะไรหรือว่าเมืองหลวงตั้งอยู่ที่ไหน คนไข้นี่ก็ก็รู้ว่าตัวเป็นเอาไซเมอรนแต่ว่าไม่อยากจะให้ก็ยังไม่ยากรับความจริงนะก่อนจะไปให้หมอสัมภาษณ์นี่แก ต, ต้องเตรียมตัวนะเหมือนคนที่ไปเตรียมไปสอบอมีการเก่งข้อสอบมีการท่องข้อสอบมีการทําโพยเอาทําโพยเข้าห้องสอบ ก็คือว่าท่องเอาไว้เลยนะว่าคำตอมจะเป็นอะไรบ้างนะทำโพยไว้โดยร่วมมือกับนะร่วมมือกับผัวมันก็แปลกนะคนเราบางทีก็ไม่อยากรู้ความจริงทั้งที่ความจริงนะี่ยมันจะช่วยจะช่วยเขาได้นะ หรือว่าเป็นความจริงที่มีประโยชน์แต่ก็ไม่พยายามไม่ยอมรับทั้งผัวทั้งเมียเลยนะก็ไม่รู้ว่าในเมื่อไม่อยากยอมรับความจริงแล้วไปให้ไปหาหมอทำไมก็ไม่รู้เราไปหาหมอเพื่ออยากจะให้หมอเขาวินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรแน่แ ต, ตั้งใจไปแต่พอหมอจะสับถามก็กลัวว่าตอบผิดก็เลยต้องเตรียมเตรียมทำาพยเป็นงานใหญ่แล้วสุดท้ายพอ ท่านี่เตรียมมากนะแต่ว่าพอหมอถามก็จําไม่ได้จํพโพยไม่ได้ก็ตอบผิดก็เลยหมอก็เลยวินิจฉัยเป็นอัลไซเมอร์ก็เสียใจอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คิดว่าคงจะเกิดขึ้นกับคนป่วยทั่วไปด้วยแตอเพราะคนเก่งนะที่มีความมั่นใจในความจําของตัว เป็นคนที่คิดเก่งแพอมาพบ ว, ว่าความจำเริ่มเสื่อมมันยอมรับไม่ได้มันรู้สึกว่าอับอายขายหน้าความรู้สึกอับอายขายหน้าว่าความจาฉันแย่แล้วมีคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งพ่อโทรศัพท์มากลางดึกเลยลูกสาวรับโทรศัพท์จากพ่อ พ่อบอกว่าให้มารับพ่อกลับบ้านเร็วๆแก ต, ตกใจมากนะตัวพ่อเนี่ยลูกสาวทาว้าวเกิดอะไรขึ้นเลยมันมีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องพอลูกฟังลูกก็เศร้าใจเลยนะจะเรียกว่าช็อกเลยก็ได้เพราะว่าแสดงว่าพ่อนี่จำเมียไม่ได้ เมียงตัวเองแน่แท้อยู่ด้วยกันมาสามสิบสี่สิบปีจำเมียไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วสงสัยผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างๆนี่มันใครวะตกใจจำไม่ได้กลัวเลยเรียกให้ลูกสาวมารับลูกสาวก็รู้แล้วพ่อนี่เป็นอัลไซเมอร์แล้ว ตัวลูกสา ย, ยก็ยอมรับไม่ได้โอ้เพราะว่าเวลาใครเป็นออสไซเมอร์เนี่ยมันหมายความว่าตัวตนของคนคนนั้นกําลังจะหายไปยิ่งเขาเป็นถ้าเป็นอาการหนักนี่มันกลายเป็นคนละคนไปเลยนะอย่างคนที่ลูกที่อยู่กับแม่อยู่กับพ่อมานานก็จําได้ว่านี่คือพ่อที่ เลี้ยงดูเรามานี่คือแม่ทีนะ่พาเราไปกินในติมพาเราไปเที่ยวเสร็จแล้วบอกกว่าแม่นั้นตัวแม่คนนั้นก็ค่อยหายไปหายไปหน้าตาหน้าตายัางคงเดิมนะแต่ว่ากลายเป็นคนละคนไปนแล้วพ่อเขาจำลูกไม่ได้ ก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างนิสัยก็เปลี่ย น, นนี่เป็นความทุกข์ของคนที่เป็นลูกนะความทุกข์ของคนที่เป็นผัวหรืเมียอยู่ด้วยกรรมนานาแล้วก็มีความประทับใจไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะของคนที่ตัวเองเคยรักหรือตัวคนที่ตัวเองกําลังรักอยู่ อันนี้เป็นความทุกข์องคนมากนะคนในในในครอบครัวที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวพอในเมืองนอกนี่ก็ทำใจไม่ค่อยได้ต่อไปก็จะเป็นปัญหาเดียวปัญหาที่กเกิดขึ้นกับคนไทยเหมือนพ่อแม่ที่ตัวเองรักนี่ตอนนี้มันกลายเป็นคนละคนไปแล้วเศร้าโศกเสียใจมาก ยังติดอยู่กับภาพเดิมๆนะมึงต้องเรียนรู้นะต่อไปต้องเรียนรู้ในการที่จะยอมรับยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ยอมรับความจริงตัวคน เ, เป็นออสไซเมอร์ก็เหมือนกันนะก็ไม่ยอมรับความจริงแต่สุดท้ายนะตัวเองก็ ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรนะไม่รู้แม้กระทั่งชื่อตัวเองอันนี้มันก็ชื่อเห็นนะว่าให้ความเป็นตัวตนนะเจ้า่าฉันเป็นนายกรนายขอนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยแล้วดูแบงจีนมันก็มันก็สะท้อนเห็นเลยว่าให้ความเป็นตัวตน มันก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมามันไม่ได้มีอยู่จริงมันเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเก่น <c oughs> คนที่มีความ <c oughs> รู้สึกว่าเนี่ยฉันคือสมชายฉันคือไพศาลไอ้นี่เป็นสานึกตัวตนแบบหนึ่งนะแต่ว่าสานึกเนี่ยนะมัน มันก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายเหตุปัจจัยส่วนก็นคือสมองพอสมองเริ่มเสื่อมไอส้สำนึกว่าฉันคือสมชายฉันคือไปสายก็ค่อยหายไปหายไปจ <c oughs> นกทั่น <c oughs> กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ลูกก็เหมือนกันนะลูกเนี่ยที่เคยที่เคยรู้จักพ่อ แล้ววันหนึงก็เห็นว่าพ่อหรือแม่นี้กลายเป็นคนละคนไปแล้วทั้งที่ยังไม่ตายเลยแต่มันก็พ่อเนี่ยหรือแม่ได้ตายจากไปแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่มันเป็นใครก็ไม่รู้ตาเหม่อลอยนะตาเหม่อลอยอยู่นิ่งๆบางทีพูดก็ไม่หันถามเชื่อเชื่ออะไรก็ตอบไม่ได้ มันเหมือนกับเป็นซากศพหรือว่าศพเดินได้กันนะถ้าคนเป็นลูกหรือคนที่เป็นผัวเมียนี่ก็เรียกว่าเศร้าสศเสียใจมันแสงเห็นนะว่าเนี่ยตัวตนเนี่ยมันมันไม่ได้มีจริงในในายสตีนนะ นางสมทรงนางวันเพนอะไรพวกนี้นะที่แต่ละคนคิดว่าฉันว่าเป็นนั่นเป็นนี่วันนี้คืนนี้ก็ค่อยเรือนหายไปบางทีการเป็นคนใหม่เลยนะอย่างคนที่เป็นออสไซเมอร์บางคนเนี่ยลืมตัวตนลืมสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นหมดเลยลวมทั้งชื่อนะ กลับไปสร้างชื่อใหม่ขึ้นมาไปคิดว่าตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปหลงรักอีกคนหนึ่งคนป่วยเหมือนกันส่วนผัวเก่ามาเมียจาไม่ได้เมียกับพีว่วตัวเนี่ยเป็นมีป่วยอีกคนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในบ้านพักคนชรา ด, ด้วยกัน เห็นเลยนะว่าตัวตนนี้ไม่เที่ยงตัวตนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมามันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งสมมุตินตคนสมัยนี้มันจะเห็นจะจะเห็นหเห็นความจริงแบบนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะเมื่อคนรอบตัวนี่เป็นอัลไซเมอร์ไม่ต้องรอให้ตายนะไม่ต้องรอให้หมดลม ยังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้นันนี้เป็นความเจ็บปวดนะที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากมีผู้ชายคนหนึ่งนะไปได้เมียนะในค่ายกักกันนะค่ายกักกันชาวยูวนะอันนี้ก็คือเมื่อสงครามโลกังที่สอง เมียว อ, อย่างสาวอายุส0อายุยี่สิบต้นๆเจอกันในคุกค่ายกักกันก็ช่วยเหลือกันฟันฝ่าความทุกข์ยากมันลำบากแค่ไหนไอ้ค่ายกักกันนาซีเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาตัวรอดหรือรักษาชีวิตรอดมาได้มันมันลำบากมากนะทั้งเรื่องอาหารการกินก็ที่ขาดแคลน เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็วันดีคืนดีก็จะโดนก็ไปลมแก๊สตายก็อส่าเอาต่อสู้จนเอาตัวรอดมาได้เอาชีวิตรอดมาได้ก็แต่งงานกันก็อยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีแล้ววันหนึ่งเมียก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วผัวก็ยอมรับไม่ได้ยพยายามปกป้องเมียทุกอย่างใ้ คนไปเอาไซเมอร์เนี่ยพอเป็นเป็นนานๆาข้อนี้มันไอ้พวกปอดพวกอะไรเรื่องการหายใจก็มีปัญหานะเพราะว่ามันทั้งหมดที่มันคุมด้วยด้วยสมองจำนวนมากก็ตายเพราะเนี่ยปอดติดเชื้อหรือว่าพวกหัวใจล้มเหลวนี่ยก็พยายามยื้อทุกอย่างพยายามที่จะให้หมอสู้ยือ้อหมอก็บอกว่าไม่มีประโยชน์ นะเพราะว่ายืดไปคนไข้ก็ทรมานวันหนึ่งคนไข้ก็มีเด็ดเชื้อในกระแสะเลือดนะก็ทรมานนะเมียผัวก็ยืนยันหมอก็ต้องเอาพาไปส่งโรงพยาบาลให้ได้หมอก็บอกว่ามัน ไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่จะหายวันนะไอ้โรคติดเชื้อเนี่ยแล้วก็ถึงจะหายก็ทรมานมากกระบวนการรักษามันมันทําให้เกิดความทุกข์มากหรือถึงแม้หายก็ไม่ได้ว่าจะมีชีวิตยอยู่ได้สบายเพราะว่าโรคออสไซเมอร์มันก็เล่นงานหนักจะก็ยิงยืงการให้เมียเนี่ ย, ยพาให้พาส่งเมียไปโรงพยาบาลได้บอกว่ารอดนะ หมายถึงรอดคือไอ้โรคไอ้เชื้อเนี่ยก็ที่ติดในกระสรแสเลือดก็หายไปแต่เมียก็อาการก็หนักนะเป็นเรียกว่าความจำเสื่อมยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายเนี่ยผัวก็ยอมรับไม่ได้นะร่าเมียของตัวเองที่เคยอยู่ด้วยกันมานานที่เคยมีความรักหวานชื่นกัาเป็นแบบนี้แล้วก็เลยทิ้งเมียไปเลยแล้วก็ไม่กลับมา แล้วตัวหลังตัวเองก็ตายตายก่อนเมียเนะคงใจสลายว่าไอ้เมียตัวที่เคยอยู่ด้วยกันนี่มันเด็ดเดียวเข้มแข็งทำไมกลายเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดในตัวตนนะความทุกข์เพราะยึดติดในตัวตวนนี่พอตัวตนมันมันดับไปก็ทําใจไม่ได้ ไอตัวตนดับไปมันก็มันก็ดับในบางครั้งก็ดับในความหมายที่ว่าตายตายหรือแต่หรือแต่ร่างไม่มีจิตวิญญาณแล้วอันนี้ก็คนที่ติดในตัวตนแล้วก็เศร้าโศกเสียใจยิ่งเวลาจะเผาก็ทําใจไม่ได้ที่ต้องที่จะเห็นเร่างนั้นเผามอดไหม้ไปกักองเพลิงคนที่เป็นพ่อบางทีก็ไม่กล้าเผารูปนะ ไม่กล้าเผาลูกทั้งที่ก็รู้ว่าลูกตายไปแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าร่างนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนของลูกการที่จะเห็นร่างนั้นมอดไหมน้นะกายเป็นกระดูทำใจไม่ได้อันนี้เราก็เรือเป็นความทุกข์พอยึดติดในตัวตนยึดติดในตัวตนของลูกแต่บางคนเขาก็ยังไม่ตายนะแต่ว่าก็ยังหายใจได้ ย, ยังเดินเถื่นไปไหนมาไหนได้ซ้าแต่ว่า ไอ้ข้างในเนี่ยข้างในมันกลายเป็นคนอื่นไปแล้วกลายเป็นใครก็ไม่รู้เมื่ อ, อยึดติดในตัวตนแบบนี้แล้วตัวตนนั้นหายไปหรือถูกพรากไปก็ทำใจไม่ได้อย่างผู้ชายที่ไปเจอเมียที่ไขกก้กักกันนาซีเนี่ยก็จิตสลาย เมียยังมีลมหายใจอยู่แต่เขาเขาส่วนนั้นไม่ใช่เมียเขาลแล้วแล้วก็ไม่อยากจะมารับรู้เรื่องพวกนี้ก็ทิ้งเมียไปเลยไม่ใช่ไม่รักนะแต่รักรักมากแต่ทำใจไม่ได้อันนี้คือความทุกข์นะของคนในยุคนี้นะแต่ก่อนมันก็ทุกข์เพราะว่าโรคระบาด ถูกพ่ออะฮิวาตายกันเพราะโลกไข้ทรพิษนะมนุษย์เราก็สามารถจะเอาชนะ้โลกพวกนี้ได้แต่ว่ามันก็มาเจอโลกแบบใหม่มันเลงนี่มันกลายเป็นเก่าไปแล้วนะมันจะมีโลกใหม่ใหม่รวมทั้งเนี่ยโลกอัลไซเมอร์โลกความจำเสื่อม น, นี้เป็นโรคแหความเสื่อมซึ่งมันเป็นโรคที่ทํร้ายจิตใจผู้คนมากทำร้ายจิตใจทั้งคนเป็นแลว้วก็คนคนที่ดูแลก็เป็นเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ก็ต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อที่จะรับมือถ้าว่ายังมีพ่อแม่ที่ยังชาราอยู่นะก็ไอต้องเจอในวันข้างหน้าหรือว่าตัวเราเอง ต่อไปตัวเล้กก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วความใจก็เสื่อมไปก็หลายคนก็พยายามหาทางว่าจะรับมือกับมันยังไงบางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันแย่มากๆก็จะฆ่าตัวตา ย, ยมีเพื่อนมีคนรู้จักคนหนึ่งนะก็เป็นศิลปินนะมีชื่อตอนนี้ก็เริ่มนะ เริ่มนเป็นอัลไซเมอร์แล้วความจำเลอะเลือนไปสัมมนากับเพื่อนนะสามวันก็พูดคุยสนทนากันตั้งสามวันพอถึงวันที่สามเจอเพื่อนถามเอาพึ่งมาเลยเนี่ยเพื่อนน ง, งงแล้วก็มาตั้งแต่วันแรกก็คุยกันมาตลอด แต่ว่าไอ้ความจำในช่วงสองวันหายไปแล้วพอเจอวันที่สามมาสุดท้ายก็ถามอันนี้เพิ่งมาแล้วเนี้เขาก็เริ่มรู้ตัว้วมันเป็นอัลไซเมอร์ยอมรับได้แต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นหนักก็ก็คิดจะค่าตัวตายเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเปานละกับคนอื่นอันนี้ก็ ก็มีบางคนแล้วก็ถึงกับเนะยอันนี้มันก็ถ่ายทอดเป็นหนังคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็รูปอาการแย่ลงไปเรื่อยแก้ไม่ได้ก็กคิดจะฆ่าตัวตายวิธีการก็คือว่าอัดคลิปวีดีโอของตัวเองไว้นที่ยังรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ในคลิปนั้นก็บอกว่า ให้แปะยาตรงไหนโดยตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อจะมาเปิดคลิปเนี่ยก็คงตอนที่เบลอแล้วไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแนละ้วแต่ยังพอรู้ภาษาอยู่พอเปิดคลิปมาก็อาจจะทำตามทำตามคำสั่งตัวเองเมื่อปีที่แล้วเมื่อหลายเดือนที่แล้ววนนียให้แปะยามากรอกใส่ปากแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จนะ สุดท้ายก็เอาอยาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าพอพอจะกราบใส่ปากก็เกิดทำตกหล่นแต่แล้วก็ลืมไปเรารืมเรื่องยาไปเลยความจำมันหายเร็วมากคนเราเนี่ยจะเป็นใครมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความจำเลยนะความสานึกว่าเราเป็นใครเนี่ย ดีที่ความจำถ้าความจำมันไม่เหลือแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายขดัดแยกันก็สอนสอนทำไมหมเห็นดลยนะไม่ใช่สอนเรื่องอนิจจังนะสอนเรื่องอนัตตาเพราะว่าให้ความเป็น ความเป็นตัวตนเนี่นะเป็นความเป็นในกรในขอนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วนะแต่มันเกิดจากเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยว่าเหตุปัจจัยเปลี่ยนไอความเป็นตัวตนนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยหรือดับไปอันนี้ก็คือความหมายหนึ่งอนัตตานะอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน คนเราเนี่ยมันีเรื่องเรื่องมีความสำคัญมาเนี่ยฉันฉันฉันชันเป็นนั่นฉันเป็นนี่แล้วเราคิดว่าฉันเนี่ยมันจะอยู่ไปตลอดตายไปแล้วเนี่ยฉันก็ไปเกิดใหม่ยังมีตัวฉันอยู่ไปเกิดในสวรรค์ก็เกิดเป็นเทวดาจะหรือไปเกิดกลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์คนเรายัมีความคิดแบบนี้นะว่ามีฉันตัวชันเนี่ยที่มันเป็น ที่มันคงที่คงทนฉันนี่มันคงที่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กทารกจนกระทั่งเด็กรู้รความก็ควรมีตัวฉันเนี่ยที่ต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันสามสิบบ้างสี่สิบบ้างห้าสิบบ้างหกสิบบ้างเจ็สบบสดสิ บ, บ้างแต่ที่จริงไอ้ตัวฉันนี่มันไม่มันมันเกิดดับตลอดเวลา แต่มันมีความสืบเนื่องกันแล้วซสือมันมีตัวฉันที่เที่ยงแท้ตัวตัวฉันนี่มันดับเดี๋ยวมันก็ดับปุ๊บมันเกิดใหม่ปั๊บเนี่ยนั่นียว่าเกิดความสืบเนื่องสันตติแต่ที่จริงแล้วนี่มันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งมันนอกจากมันไม่เที่ยงแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้คงทนอะไรเลยพอสมองพอสมองมีปัญหาก็เปลี่ยน บางคนที่สาเปลี่ยนนะถึงแม้ว่าความรู้สึกตัวตนยังไม่เปลี่ยนนะแต่นิสัยเปลี่ยนถ้าสมองถูกกระทบนี่นิสัยก็เปลี่ยนได้จนกระทั่งบางคนคิดว่าเนี่ยน่จิตใจมันเป็นเรื่องของสมองมันก็ไม่เชิงทีเดียวนะจิตใจกับสมองคนละอันแต่ว่าก็ต้องสัมพันธ์กันแต่ว่าไอความเสื่อมของสมองมันทาให้มันก็มีผลต่อจิตใจมาก ไอความรู้สึกว่าตัวฉันตัวฉันเนี่ยพอมันมันจะหมดไปนะมันจะหมดไปเมื่อเมื่อสมองเสื่อมหรือว่ามันจะกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาตัวฉันยังมีอยู่แต่เป็นฉันคนใหม่แนละ้วซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จินตนาการ อันนี้มันก็ถ้าเราถ้าเรารู้ถ้าเรามัน พ, พิจารณามันก็สอนให้เห็นเรื่องอนัตตาได้แะมันก็ทําให้เราทําใจได้ดีขึ้นนโดยเพราะาเราเรารู้เรื่องอนัตตามาก่อนแล้วมถึงเวลาพ่อแม่ของเรามันไม่ใช่เราอยากจะไม่ใช่ของเราแล้วเขายังไม่ได้เป็นเป็นพ่อแม่เหมือนเดิมด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ เมื่อเราเข้าใจเรื่องอนัตา ก, ก็ทำใจไดเ้เมื่อมันเกิดแล้วต่อไปเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเองก็ก็นายทำใจได้นะเอาละวันนี้กเพกกื่อเท่า น, นี้กรับ